รางใจฟังกันฟังเทศฟังพูดฟังคุยกันธรรมดาธรรมดานี่เองวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่สองเดือนมีนาสองพันห้าร้อยยี่สิบเก้าตรงกับบันแรมเจ็ดคัมเดือนสามบัดนี่ไม่ผ่าดเลวผ่าดมาแล้วสามครั้งพูดกันมา คิดมาวันนี้มันจะพูดเรื่องอะไรดีเพราะเจ็บท้องมานานตั้งแต่วันอาทิตย์ที่แล้วก็ต้องคิดว่าจําเป็นก็ต้องพูดอาทิตย์นี้เขาต้องพูดวันอาทิตย์ต่อไปหากยังมีลมหายใจก็ต้องพูดเช่นเดียวกันคนเราที่มาเกิดเป็นคนนี่พูดกันโดยตรงทีเดียวเหมือนกับเรามาค้าขาย คนใดค้าขายเป็นต้องกำไรคนใดค้าขายไม่เป็นต้องขาดทุนธรรมดากำไรการกาไรเรื่องขาดทุนมันเป็นธรรมดาแต่เมื่อขาดทุนนั้นเพราะเรื่องอะไรเราซื้ออะไรขายอะไรจึงขาดทุนไปได้เราต้องแก้ไขได้เรามีกำไรเพราะซื้อเท่าไหร่ขายเท่าไหร่ ซื้อจากที่ไหนของดีของชั่วต้องรู้จักดังนั้นควมผิดคนโบราณท่านจึงสอนเอาไว้ว่าความผิดเป็นครูแต่อย่าทำผิดใีคนโบราณบ้านหลวงพ่อพูดสอนขันว่าอย่างนี้ดังนั้นคนเราเมื่อทำผิดแล้วจะแก้ไขตัวเองหรือจะหมกมุ่นไป ถ้าแก้ไขตัวเองก็มีโอกาสที่จะพ้นไปจากความผิดพลาดได้ดังนั้นคนทุกคนไม่ว่าตั้งแต่สมัยครั้งโบราณโน้นหรือครั้งพระพุทธเจ้าก็าตามก็ต้องมีการผิดพลาด ท, ทางนั้นแต่รู้สึกว่าผิดพลาดและต้องแก้ไข ถ้าหากไม่แก้ไขแล้วก็จมอยู่ในนั้นเมื่อพูดถึงตอนนี้ก็จะย้อนไปให้เราได้คิดถึงสมัยเจ้าสายสิทธะกูมานเกิดขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้ทำกัมดีกัมชั่วอะไรเท่าไหร่แล้วเพราะว่าเป็นลูกมหากษัตริย์ทำดีมากทำชั่วน้อยพลอยประสบเอากับ เพศสมณะองค์หนึ่งพูดใกล้ๆก็เลยเห็นหน้าเลื่อมใสก็เลยติดตามเอาเพศนั้นมาไว้ในกระจกตาเรียกเป็นนิมิตคำว่านิมิตหมายถึงคิดถึงสิ่งเหล่านั้นอยู่ตลอดมาจนได้ออกบวชตามแล้วก็ไปศึกษาตามอาจารย์ต่างๆแต่พูดมาแล้วหลายครั้งหลายหน เรื่องการศึกษามานั้นผิดก็มีถูกก็มีพระองค์คิดแล้วว่าสิ่งเหล่านั้นน่ะแก้ทุกตัวเองอยังไม่ได้ก็แสดงว่าทางนี้มิใช่ทางแต่มันเป็นการทำดีเส้นพวกเราให้ทานรักษาศีลทำความสงบก็ตาถ้าหากยังปลดเปื้อง ตัวออกจากทุกไม่ได้ก็แสดงว่าเรายัางจะได้ทำความผิดพลาดต่อไปดังนั้นความผิดพลาดนั่นจึงเป็นครูของเราเสมอไปผิดแล้วต้องแก้ถ้าไม่แก้มันก็มัดเข้าเหมือนกับดักแด้บ้านหลวงพอเลียดักแด้ทีแรกมันกินใบมอ เมื่อมันอ้วนตัวมันขึ้นมังกรเรียกมอนสุกเมื่อสุกแล้วมันก็เท้าใหญ่เมื่อยิ่งเท้ามันก็พันตัวมันเข้าพันตัวมันเข้าพันตัวมันเข้าออกไม่ได้ตายคาลังเข้าไปต้มเลยเนี่ยสันไดดังนั้นผิดแล้วต้องแก้ทุกคนแก้ได้เอาสมมุติให้ฟังเหมือนกับเราอยู่ในถ้ำ เรามีไม่ขีดไฟสักไม่เดียวพอได้มีเทียนไขในมือเราอยู่ในถ้ามืดมิดอยู่ตลอดเวลาไม่เคยเห็นแสงสว่างเลยถ้ามีบุคคลสำคัญมาพูดให้เราฟังเพียงกระซิบว่าไม่ขีดไฟอยู่ในมือของเราขีดแรงๆคนนั้นมีความสลดัด ก็เลยจับเอาไม้ขีดไฟในมือแรงๆเพราะมันเป็นไฟขึ้นมาก็จุดเทียนไขควมมืดหายไปเองดังนั้นพวกเราอย่าเข้าใจว่าศาดหน้าหรือซาดต่อต่อไปถ้าหากเรายังไปมัวคิดว่าศาดหน้าและซาดต่อต่อไปนั้นเหมือนกับเราเป็นตัวม้อนมันจะ สักญ่พันตัวเองเข้าโดยไม่รู้สึกตัวชั้นใดถ้าหากเรามีปัญญาเสียนิดเดียวฟังแล้วบุคคลใดมาพูดน่าคิดว่าไม่ขีดไฟในมือมีแล้วเทีนยนไขอยู่ในมือของท่านเองท่านไปอยู่ในร้ำจุดไฟขึ้นขมือหายไปเองไม่ต้องรอ วันนี้เ อ, อือวันต่อไปหรือปีต่อไปสัตนาเพราะทุกคนมีของดีอยู่ในตัวแล้วแต่เราลืมของดีไปเสียเราจึงไม่ได้นึกฝันถึงของดีในตัวตัวของผมเองหรือตัวของอาตมาเองก็เช่นเดียวกันไม่เคยนึกคิดว่าของดีมีในตัวนึกว่าของดีนั้นมีอยู่ตั้งแต่สมัยคนโบราณนน คิดแต่อย่างนั้นอยู่ไม่เศร้ดังนั้นการทำดีนั้นไม่ลาสมัยจะเป็นคนยุคใดสมัยไหนก็ต่างถ้าเรามีความสำคัญในใจว่าคนสมัยนั้นกับคนสมัยนี้มีธาตุสี่ดินน้าไฟลมเหมือนกันถ้าพูดตามภาษาธรรมะถ้าพูดตามภาษาสาวบ้านเห็นกันได้ก็ว่าคนสมัยนั้น ก็ต้องมีตาหูเรียกว่าจะโมก็ได้เรียกว่าดังก็ได้นะสองขาสองแขนเหมือนกันกับคนสมัยนั้นและนอนเป็นเดินเป็นเหมือนกันกับคนสมัยนั้นดังนั้นวันนี้จึงจะอยากขอแนะนําให้พวกเราจะขาดทุนหรือจะเอากําไรเท่านั้นเองถ้าจะขาดทุนทําผิดแล้วไม่ยอมแก้ แต่มองเห็นคนที่เขาทําดีอยู่เราก็าต้องไม่ใส่ใจหรือไม่สนใจกับบุคคลที่เขาทําดีเราต้องทําไปตามอุดมการณ์ของเราอันนั้นเรียกว่ายิ่งทําก็ยิ่งจมไปท่านว่าอย่างนั้นบัดนี้เมื่อคนยอมแก้โอ้วานนี้ทําผิดแล้วหรือส่วโมงที่แล้วทําผิดมาแล้วเราจะทําอย่างไรมองด้วยสายตาเห็น โอคนนั้นเขาทําอย่างนั้นคนนั้นเขาทําอย่างนั้นคนทุกคนดูด้วยกันหลายคนเป็นจำนวนมากเจนบ้านเมืองของเราคนเป็นล้านถึนแสนเราสามารถที่จะมองเห็นได้ทุกแง่ทุกมุมทีเดียวคนใดทําดีเราก็ศึกษาเอาแบบบุคคลที่ทําดีนั้นเอามาใส่ตัวเราคนใดที่ทําชั่วนั้นเราก็เห็นละเวน้นห่างไกล อันนี้เรียกว่าแก้โดยที่ประสบการณ์เห็นด้วยตาไม่ใช่ว่าไปเห็นประสบการณ์แล้วเราจะมืดมิดโม้นเข้าไปอย่างนั้นเรียกว่ายัางไม่ได้ประสบการณ์มาจริงดังนั้นคําว่าประสบการณ์ศึกษามานั้นต้องเห็นด้วยตาเดี๋ยวแก้ด้วยเหตุการณ์แก้ด้วยเหตุผล ต้องเอามานึกเอามาคิดแก้ทางจิตทางใจวันนี้ที่พูดกันแล้วก็ต้องพูดทางจิตใจอีกแล้วเราสอนกันง่ายๆให้มองสภาพเข้ามาถึงจิตใจเพราะจิตใจมันเร็วที่สุดไวที่สุดสามารถที่จะทำได้ทุกอย่าง ดังนั้นกายกับวาจานี้มันสำเร็จมาจากใจวิธีที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้เพราะว่าพระพุทธเจ้าตัดสู้เพราะการทำทางใจสิ่งอื่นใดนั้นพระองค์ทำมามากต่อมากแล้วเดี๋ยวนี้คนไทยนับถือพุทธศาสนามาเป็นจำนวนมากแต่ เราก็ยังว่าทุกคนเป็นสัมมาทิฏฐิเราจะเอาอะไรที่ไหนมาเป็นเครื่องวัดของเราได้ใครจะมาเป็นคนรับรองตัวเราได้ไม่มีคนใดเลยที่จะมารับรองที่จะมาประกันตัวเราได้นอกจากตัวเราเองคนเดียวเท่านั้นดังนั้นวันนี้จึงจะพูดกันเรื่องมาคาขายหรือไปคาขาย เราชอบกําไรหรือขาดทุนเราชอบแก้หรือไม่ชอบแก้เท่านั้นเองถ้าหากชอบแก้ไขสิ่งที่ทำผิดมาแล้วยอมรับสารภาพว่าเราผิดแล้วเหมือนเขาเราจับไฟจับแล้วมันร้อนคนอื่นจะรู้ว่าเราร้อนไหมไม่รู้แต่เมื่อตัวเราจับเองเราต้องรู้เองว่าสิ่งนี้แหละคือไฟแต่เราไม่เคยเห็นว่าไฟก็ตา ไม่เคยรู้ว่าไฟก่อตามพอดีจับเข้าไปแล้วมันร้อนโอ้นี่คือไฟแท้ๆเราก็วางได้เท่านั้นเองถ้าหากว่าเราขืนไปจับอีกมันก็ไหมเราอีกลำไปดังนั้นการประสบการณ์มานั้นต้องให้มานึกอยู่เสมอ น, นี่เขาเรียกว่าแก้ด้วยเหตุการณ์หรือประสบการณ์ไม่ใช่แก้ด้วยเหตุผลถ้าแก้ด้วยเหตุผล ก็ศึกษาเราเรียนมาว่าไฟมันร้อนรู้ว่าไฟอยู่ที่ไหนเราต้องศึกษาให้รู้จักไฟจริงๆแล้วเราก็จะไม่ได้จับไฟต่อไปอันนั้นเป็นวิธีแก้โดยเหตุผลแก้ทางจิตใจบัณฑิตเราชอบพูดเรื่องจิตใจกันมากก็ว่าที่นี่พูดกันเรื่องจิตใจพอดีเราเดินไปไหนมาไหนจิตใจมันนึกคิด เราก็เห็นก็รู้คนอื่นจะไม่เห็นมารู้ด้วยเราไม่ได้เพราะเราเองเป็นคนเห็นเป็นคนรู้เป็นคนสัมผัสเราต้องแก้ได้ที่ใจเราดังนั้นบาบุบญนาลกสวรรค์อยู่ที่ตรงนี้เองจึงสมมุติให้ฟังแล้วว่าเราอยู่ที่มืดมานานแสนานานแล้วไม่รู้จกักทิศทางจะออกจากธรรม มีบุคคลสําคัญพูดว่าไม้ขีดไฟใดมือของท่านมีแล้วเลกเทียนไขมีในท่านแล้วท่านต้องเอาไม้ขีดไฟของท่านขีดแรงๆเป็นไฟขึ้นมาท่านกดจุดไฟขึ้นคว่ำมืดหายไปเองแต่สําคัญเราต้องออกจากถ้าให้ได้แบบ น, นี้จะเปรียบอีกข้างหนึ่งเคยเปรียบอย่างนี้มาฮถ้าเราอยู่ในถ้าพอดีไฟเราดับ มันจะมืดเข้ามาแทนหรือไฟเรายังไม่ดับเอาไฟมาข้างหน้ามืดมันจะเวียนเราอยู่ข้างหลังเอาไฟมาข้างหลังมืดมันจะเวียนเราอยู่ข้างหน้าเพราะเรายังอยู่ในที่มือนั่นเองดังนั้นควรแก้ไขปัญหาอันนี้ให้ถูกให้ตรงแบบ น, นี้เมื่อเราออกจากถ้าแล้วไฟอยู่ในมือเราคอใต้ได้หรือเราไม่ใต้ก็ได้เพราะเรารู้จักทิศทางจะเดินหนีจาก ที่มืดแล้วดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนแล้วสอนสอนแล้วสอนสอนให้ทุกคนออกไปใช้ในชีวิตประจําวันของเราไม่ใช่ว่าตายแล้วไปตกสวรรค์เออตายแล้วไปขึ้นสวรรค์ตายแล้วไปตกนรกอันนั้นมันเป็นอนาคตเป็นอดีตไปแล้วพระพุทธเจ้าท่านมักชอบสอนให้เราทุกคนแก้ปัญหาที่ขึ้นเกิดเห็นประจํา หน้านี้เองถ้าเราแก้ปัจจุบันได้ไดอานาคตนั้นเป็นผลพลอยได้มาเองดังนั้นวันนี้จึงจะยากขอแนะนำให้พวกเรามาที่นี่หลายคนมีแต่พูดศึกษาเล่าเรียนมากทั้งนั้นดูจะเป็นปริยากันส่วนมากนะแต่ว่าตัวอาตมาไม่เคยเรียนหนังสือรับสารภาพไปก่อนเพราะว่าเขียนหนังสือไม่เป็นพูดภาษากลางก็ไม่เป็น คนที่จะพูดภาษากลางได้จำเป็นต้องเรียนภาษาไทยเรียนตัวหนังสือแล้วก็ต้องพูดตามตัวหนังสืออันนั้นพูดได้ถึงสําเนียงไม่เพาะก็ยังพูดหูอยู่ตัวอาตมาเนี่กวมผิดอาจจะมากเพราะการพูดนั้นไม่ได้สํานึกถึงตัวอักษรเพราะเราไม่เคยเรียนหนังสือเพียงจะพูดตั้งแต่อุดมการที่เคย เราเรียนและปฏิบัติมาเท่านั้นดังนั้นคนเราทุกคนเรื่องนรกสวรรค์ก็ตามถ้าหากว่านรกใต้ดินเราตายแล้วถ้าเรามีก้มทุกข์อยู่ในขณะนี้นั่นแหละเป็นเสื้อหมันของนรกเรียกวเสื้อเพิงของนรกตายลงไปต้องมีนรกจริงๆถ้ามันมีจริงก็ต้องไปเสวยนรก ท่านว่าตกอวิจีหมกไหมอยู่ทางโน้นถ้าหากเราทำดีไว้แล้วเสมอไปถ้าหากว่าจิตใจล่าเลิงเบิกบานอยู่แล้วไม่ทำให้จิตใจเศร้าหมองตายไปแล้วก็ต้องไปสวรรค์เพราะสวรรค์ น, นั้นมันเป็นซื้อของบุคคลผู้ที่ไม่มีทุกข์ไปอยู่ท่านว่าคือเทวดานั่นเอง เทวดานั้นไม่ใช่คนหน้าเศร้าหน้าหมองเทวดานั้นท่านว่าคนหน้าล้าเลงสบายใจคนใดมีเช่นนั้นก็แน่นอนว่าเมื่อตายจากโลกนี้ก็ต้องไปสวรรค์กันแน่ดังนั้นจึงจะอยากขอแนะนำให้พวกเราทุกคนว่ามีสิทธิ์แล้วสมบูรณ์แล้วในขณะนี้เกิดมาเป็นคน บุญมีมากแล้วถ้าหากคนใดเกิดมาเป็นคนบุญไม่มีมากแข้งหักขาห้านเป็นคนพิกลพิการไปเรียกว่าคนนั้นบุญไม่ครบไม่พอแต่พวกเรามาที่นี่แข้งไม่หักขาไม่ห้านไม่พิกลพิการยังได้ศึกษาเล่าเรียนมามากแต่บางคนก็เข้าใจ ในคำพูดคำสอนของนักปราชญ์หรือคนโ บ, ร, บราณท่านสอนเอาไว้ว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ที่ใจพระนิพพานก็นนอยู่ที่ใจใท่านว่าอย่างนั้นแต่ตัวของอาตมาเองไม่เคยรู้อย่างนี้แต่ก่อนไม่เคยรู้จริงๆเราก็ต้องชอบทำบุญให้บุญมาช่วยเราไปขึ้นสวรรค์แสดงว่าเราไม่รล้จากบุญ จะเอาบุญมาใช้ได้ไหมไม่ได้เพราะคนไม่รู้จักบุญอยู่แล้วจะเอาบุญได้ทําไมเคยมีคนถามมาหลายครั้งแล้วได้ทําสร้างบุญมาหากรถินสร้างบุญบวชนาสร้างโบสถ์แล้วก็สร้างผ้าป่าบังสกุลสร้างวัดทานเงินเป็นล้านสร้างพระพุทธรูปฉันได้บุญไหม บางคนถามอ้าวจะให้คนอรู้แทนได้ไหมก็ให้คนอื่นเล่าให้ฟังแสดงว่าคนนั้นน่ะไม่รู้บุญเอาบุญไม่ได้นี่เป็นอย่างนั้นบุญคือหลักษณะไม่มีทุกข์นั่นเองแต่ไม่ได้ปฏิเสธว่าทาอย่างนั้นไม่ได้แต่เมื่อเราทําลงไปแล้วจิตใจเราไม่ดูไม่ได้ดูชีวิตจิตใจของเรามันล้าเลืองเบิกบานขนาดไหนเราไม่รู้เลย เรามีแต่เพียงเอาเงินไปถวายให้พระไปสร้างพระพุทธรูปสร้างโบสถ์สร้างศินไม่เคยดูชีวิตจิตใจของเราเองนั่นแสดงว่าคนลืมตัวคนหลงตัวคนลืมบุญคนหลงบุญแล้วเรียกว่ารีบแก้ไขเสียในวันนี้ดีกว่าพรุ่งนี้หรือแก้ไขในขณะนี้อาจจะดีกว่าวินาทีต่อไป ที่นำมาพูดให้ฟังในวันนี้เพียงสั้นๆดังนั้นบาปนั้นคือในขณะใดเวลาไหนจิตใจเศร้าหมองนั้นแสดงว่าเรามีบาปแล้วการทำบุญช่วยไม่ได้การรักษาศีลช่วยไม่ได้อะไรๆทั้งหมดช่วยไม่ได้จะช่วยได้เฉพาะบุคคลผู้ที่มีปัญญาอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้ ให้บําเพ็ญทางจิตให้บาเพ็ญทางจิตพระพุทธเจ้าตรัสรู้เพราะการทำทางจิตทางใจเมื่อเรามาทำทางใจแล้วไม่เคยรู้เลยความคิดที่มันไวมากที่สุดไม่เคยเห็นความคิดเลยต่อเมื่อมาทำความรู้สึกตัวนี่แหละเกิดเห็นความคิดตัวเองรู้ความคิดตัวเองสัมผัสกับความคิดตัวเองได้ คนอื่นนั้นจะพูดยังไงเราก็ต้องมามองดูใจเราที่มันนึกมันคิดขึ้นมาเราก็เห็นเราก็รู้เราก็สัมผัสได้เมื่อเราเห็นเรารู้เราสัมผัสได้มองอยู่ที่ตรงนี้ไฟก็เกิดขึ้นไม่ได้เรียกว่าควมหลงตัวไม่มีคนชอบลืมตัวขาวใดขาดทุนข่าวนั้นคนใดรู้สึกตัวข่าวใดมีกาไรข่าวนั้น ท่านสอนอย่างนั้นดังนั้นจะว่าสติก็ได้ว่าปัญญาก็ได้ภาษาบ้านเราเรียกว่าหลงตัวลืมตัวภาษาธรรมะเรียกโมหะภาษาบ้านเราเรียกว่าคิดให้ดีไปให้ดีมาให้ดีพิจารณาให้ตรงท่านสอนอย่างนั้นคนุณโบราณท่านสอนม<า>ไม่ได้ทำอย่างรุนแรงทำซาซา ทำซาซาแต่ผลมันได้มากที่สุดดังนั้นการทำความรู้สึกตัวนี่สามารถที่จะให้ทุกคนนำไปสู่จุดหมายปลายทางได้ในชีวิตนี้แน่นอนที่สุดอา้าววันนี้ก็พูดเพื่อให้จับใจคนมสั้นๆเข้ามาอีกเพราะทุกคนเกิดมาแล้วนี่ต้องตายแน่นอนที่สุดความตายเนี่ย แม้จะเป็นคนไทยก็ตายเป็นคนจีนก็ตายเป็นคนฝรั่งเศสก็ตายจะเป็นคนอินเดียที่พระพุทธเจ้าตัดสรูนัง่งก็ตายเช่นเดียวกันให้ซื้อว่าคนแล้วตายทั้งนั้นดังนั้นพระพุทธเจ้าทั้งจึงสอนคนนี่แหละให้ลู้จากความเป็นคนขึ้นมาสอนคนนี่แหละให้ลู้จากความเป็นมนุษย์ขึ้นมาสอนคนนี่แหละ ให้รู้จักขวมเป็นเทวดาขึ้นมาสอนคนนี่แหละให้รู้จักขวมเป็นพระอริยบุคคลขึ้นมาดังนั้นเราอย่าพึ่งปฏิเสธคำพูดของสัตตบุรุษหรือพระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้นั้นเราต้องนำมาศึกษาจริงๆแต่พระพุทธเจ้าตายแล้วเรียกวันนิพพานแล้วแต่คำพูดคำสอนของท่านยังมีอยู่แต่คาพูดคาสอนของท่านยังมีอยู่ เราไม่ได้สนใจเราไปสนใจเรื่องที่ไม่เป็นของจริงเราไปสนใจเรื่องที่ไม่ใช่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็เลยไปสวยจับเอาสิ่งที่ไม่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้ามาพูดว่าเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้เราเคยได้ฟังมาแล้วว่าศาสนาหรือพุทธศาสนาหรือคำสอนของพระพุทธเจ้านั้น จะอันตรทานหายไปนั่นก็ต้องบริษัทสีนี้เองไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติตามพระธรรมวินยัยก็อันตรทานหายไปท่านไว้เช่นนั้นในทางตรงกันข้ามบริษัทสีนี้เองสานึกคิดลำพึงลำพันอยู่เสมอและประพฤติปฏิบัติตัวอยู่เสมอแก้ไขตัวอยู่เสมอทำให้ คำสอนของพระพุทธเจ้ามั่นคงและทําให้มรรคผลนิพพานเกิดขึ้นในจิตในใจแสดงว่าคนคนนั้นแหละทําให้พุทธศาสนาจเจริญขึ้นมาคำคำหนึ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไ ว, ว้ว่าหากว่ามีพระธรรมวินัยอยู่มีผู้ปฏิบัติอยู่มรรคผลนิพพานย่อมไม่ว่างจากโลกนี้ทานวลา และภิกษุอุบาสกภิกษุอุบา ส, อาสกอยู่ด้วยความสงบอยู่ด้วยความสงบหรือด้วยสติปัญญาแล้วพระอารหันต์ก็จะไม่ว่างจากโลกนี้ท่านว่า้นแต่เราไปเข้าใจว่าพระอารหันต์โตหมดแล้วมรรคผลนผิพันโคตหมดแล้ว เราเองเป็นคนพูดเราเองเป็นคนปฏิเสธเรื่องนี้เป็นการให้โทษเรามากที่สุดดังนั้นบาปมากที่สุดนั่นคือเราไม่รู้ความจริงนั่นเองเมื่อเราไม่รู้ความจริงแล้วเราก็สวยจับโน้นจับนี้มาพูดเล่าต่อๆกันไปเท่านั้นเองเมื่อ บุคคลได้สัมผัสแนบแน่นกับสิ่งเหล่านั้นแล้วต้องกล้ายืนยันรับรองเดยว่าสิ่งนั้นมันมีอยู่ในคนสิ่งนั้นมันมีอยู่ในคนทันว่ายอย่างนั้นดังนั้นขอให้พวกเราคิดเอาไว้ว่าเหมือนกับเราเป็นโรคเราเคยพูดกันอย่างนี้ว่าเสียสละทรัพย์เพราะรักษาเอาไว้เนื้อวัลักษาร่างกายได้ ยอมเสียสละวิญญาณพรรักษาชีวิตยอมเสียสละชีวิตเพราะรักษาสัจธรรมดังนั้นสัจจะแล้วของจริงอยู่แล้วธรรมะนั่นคือทุกคนนั่นแหละกายกับใจมันอาศัยซึ่งกันการกระทําคือใจสั่งออกมาหมอเขาเลยพูดว่าถ้างูกัดเรามันยังน้อยน้อยนะ มันเพียงกัดมือหรอกกัดปลายเท่าไปมือคขาตามเขามีบ้านหลวงพ่ อ, พอเลียงเอาผ้ามาพันไวเอาใบหญ้าคาหรือเอาอะไรมากันไวกลัวพิษมันจะล่วงเข้าไปข้างในไปหาหมอเขาซีดยาให้บางทีก็หายบางทีก็ยังไม่หายหมอบอกว่าตัดเสียมันยังน้อยๆเนี่ยต้องตัดทิ้งเสียอืเมื่อเราตัดทิ้งเสียแล้วโรคมันก็กําเรืนขึ้นไม่ได้การทําผิดก็เช่นเดียวกัน เมื่อเรารู้สึกนึกคิดถึงสิ่งที่เราทำผิดนั้นพยายามแก้ไขเสียเมื่ อ, อย่างน้อยๆเราต้องพยายามจงใจว่าเราจะทำงานสิ่งนี้แหละให้มันพบเห็นในชีวิตนี้เพราะควมตายมันเดินเข้ามาใกล้ๆใกล้ๆเข้ามาพูดกันเรื่องขมตายนะครับดังนั้นคนทุกคนจึงรีดพ้นขมตายไปไม่ได้ พระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้เรารู้สึกวิธีตายนี่แหละก่อนแต่ที่ยังมีลมหายใจอยากให้ท่านความตายมาถึงเข้าถ้าความตายมาถึงเข้าแล้วก็จะเสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาทีเดียวเสียความเป็นคนเสียความเป็นมนุษย์เสียความเป็นเทวดาเสียความเป็นพระอินทพระพ เสียความเป็นพระอริยะบุคคลจริงๆถ้าหากผู้ใดมีจิตใจหนักแน่นต่อการงานที่เรากระทำทางจิตทางใจนี้ไปไหนมาไหนต้องพยายามฝึกหัดดัดนิสัยอยู่เสมอๆเป็นผู้ไม่ลืมตัวต้องมีหวังว่าโอกาสหนึ่งข้างหน้าจะได้พบเห็นในชีวิตของเราโดยที่ปลาจากทุกนั้น แน่นอนที่สุดดังนั้นการทำความรู้สึกตัวตื่นตัวการทำความรู้สึกใจตื่นใจนี่ผลของมันจะสะท้อนไปให้เราเห็นชีวิตของเราเห็นจิตเทนใจของเราจวนเราจะหมดลมหายใจเราจะรู้วิธีนี้ได้ล่วงหน้าแน่นอนที่สุดเพราะพระพเจ้าท่านสอนแล้ว ดังนั้นพวกเรามาที่นี่วันนี้ก็จิตทองมานา น, นานแล้วหลายวันแล้วก็พยายามพูดขวมจริงให้พวกเราได้ฟังท้ายที่สุดนี้อาตมาพร้อมด้วยพระสงฆ์และญาติโยมมานั่งฟังธรรมะอยู่ณสถานที่นี้อาตมาขออ้างอิงเอากุลของพระพุทธเจ้าและพระธรรมคาสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มาเตือนจิตสั ก, กิจใจของพวกเราให้พวกเรามีความรู้สึกสํานึกตัวอยู่เสมอว่าสิ่งที่ผิดแล้วต้องแก้แต่ก็ห้ามไม่ได้จำไม่ได้นะสิ่งที่ถูกแล้วต้องส่งเสริมไปหรือสิ่งใดที่ยังไม่พอต้องต่อเติมไปให้มันถึงจุดหมายปลายทางของเราในชีวิตนี้จงทุกท่านทุกคนเธอ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 เดือนมีนาสองพันห้าร้อยยี่สิบเก้าตรงกับวันแรมเจ็ดค่ำเดือนสามเห็นไหมตอนกลางวันนี้พูดหลงกันดังนั้นการปฏิบัติธรรมมานั้นพวกเราต้องให้หนักแน่นจริงๆถ้าไม่หนักแน่นแล้วการปฏิบัติมันจะไม่กล้าวน้า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 คนโบราณท่านจึงสอนเอาไว้ว่าความผิดเป็นครูแต่อย่าทําผิดเราต้องรู้จักทันสิ่งที่เราผิดแล้วนะไม่ต้องทําแล้วแก้ดังนั้นคนเราต้องแก้ไขตัวเองอย่าให้คนอื่นแก้ไขเราไม่ได้พราะแม้แก้ไขให้เราก็ไม่ได้เทวดาอินพรมที่ไหนแก้ไขให้เราไม่ได้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 ท่านทําอะไรให้เราไม่ได้บางทีครูบาอาจารย์แนะแนวไปทางผิดก็มีเราเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วอย่างที่องค์ุลิมานเป็นคนพูดจริงทําจริงนี่มันไม่คู่อิสสาลิษยาเบียดเบียนกันก็เลยแนะนําให้ครูอาจารย์พูดอย่างนั้นอย่างนี้ครูอาจารย์ก็เลยแนะ แ, แนวในทางที่ผิด องคุลิมานก็เลยได้ทําผิดไปแต่องค์ุลิมานคราวนั้นไม่รู้นะถ้ารู้ผิดอย่างนั้นองค์คุลิมานไม่ทําแต่โซกดีอย่างหนึง่งองค์คุลิมานไปเจอออกกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่านั้นมันผิดว่าอย่างนี้ก็ได้พูดคําเดียวเท่านั้นองค์ุลิมานเข้าใจเลยแต่ท่านพูดว่า เราหยุดแล้วองคุลีมานไม่หยุดด้วยอย่างนั้นหยุดทำไมเดินอยู่ที่ตรงนั้นยองคุลีมานต่อว่าแต่เราหยุดจากการทำชั่วเนี่ยองคุลีมานเข้าใจโอ้เราทำชั่วแล้วต้องแก้เลยพอดีหยุดจากการทำชั่วคิดตรีตองฟังคำพูดแล้วได้สำเร็จเป็นพระนิยบุคคลได้ในขณะนั้นเลย เราไม่ได้ฆ่าคนถึงขนาดนั้นแต่อยู่ที่นี่ไม่ได้ฆ่าคนนะหรือมีคนฆ่าคนกี่คนไม่ได้มีนะมีบ้างไหมอ่าไม่ได้มีใครฆ่าคนนะเราก็ต้องเข้าใจอย่างนั้นอันนั้นฆ่าคนมาตั้งเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคนแต่เป็นพันกว่าคนหมะแต่องค์กุเิมานรู้สึกสำนึกแก้ได้ทันที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 วันนี้ก็มีคนมาถามกรรมติดตามเราได้ไหมเขาพูดยังไงแต่กรรมนั้นมันติดตามไม่ได้แต่เขาเปรียบเทียบเอาไว้ว่าเหมือนกับหมาในไรเนื้อเป็นบ้านหลวงพ่อหมาในไรเนื้อเมื่อเนื้ออ่อนลงโซมลงเมื่อใดหมาก็ทันเมื่อนั้นอันนั้นติดคำพูดวันนี้เราไม่ต้องคิดอยังไง เรามีจิตใจเข้มแข็งประพฤติปฏิบัติอยู่แล้วกรรมมันหลุดไปเนาะเพราะเรารู้แล้วเห็นแล้วเข้าใจแล้วมันหลุดไปเลยกรรมมันจึงจะทําอะไรให้เราไม่ได้ดังนั้นให้เราเข้าใจเอาเสียวว่าการกระทําทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละเมื่อเรารู้แล้วหมดกรรมเลยดังนั้นพระอนุญบุคคลว่า ไม่ทํากรรมดีและไม่ทํำกรรมชั่วทั้งวันกรรมดีก็ไม่เอากรรมชั่วก็ไม่เอาทํางานไปตามหน้าที่เท่านั้นเองแต่ว่าหน้าที่ของท่านท่านรู้ว่าหน้าที่สิ่งนี้สิ่งนี้เท่า น, นี้ดังนั้นเราทุกคนเป็นภูตุโซนเราต้องรู้จักว่าการกระทํานั้นเราต้องรู้จักยับยั้งไว้ได้จิตใจของเราดังนั้นการกระทําทุก ทุกอย่างแล้วมารวมอยู่ที่ใจวันนี้ก็พูดมาอ้อมค้อมมาให้มาอยู่ที่ใจทั้งนั้นที่พูดมาการประสบการณ์น่แก้ไขได้อย่างที่เราประสบการณ์เดี๋ยวนี้เนี่ยเขาฆ่ากันตีกันเราจะทํำยังไงถ้าเราอยู่ที่นั่นก็จําเป็นต้องถูกฆ่าถูกตีเหมือนกันเราต้องแก้ไขเดี๋แก้เหตุการณ์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 แต่เราให้มีใจหนักแน่นเอาไว้ว่าเราจะทำอันนี้เรียกว่าเราได้เพื่อนกันระยาณามิตรขันทจะพูดไปตามภาษาเราได้เพื่อนที่ดีเพราะตําราก็มีอยู่แล้วแง่ผู้แง่แนววิธีคอยประเข้าประคองเราก็มีอยู่แล้วเรียกว่าเราได้เพื่อนที่ดีถ้าพูดว่ากันระยาณมิตรที่ดีก็เราก็ได้กันระยาณมิตรที่ดีแล้ว เาขาบเพื่อนที่ดีก็หมายถึงคอยดูกันมีเหตุผลยงงอย่างไรเกิดขึ้นเป็นการปฏิบัติแบบนี้มีอุปสรรคที่หลวงพ่อแก้หลวงพ่อเองหลวงพ่อรู้จักว่าขมผิดหลวงพ่อมีหลวงพ่อก็ต้องแก้หลวงพ่อทีแรกหลวงพ่อไม่ค่อยรู้มันเป็นแล้วจึงรู้เมื่อคนใดยังไม่เป็นไม่รู้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 เพรความคิดมันถูกสุดไปทันทีเลยเมื่อความคิดทุดไปเราไม่รู้จึงมีอุบายให้มาอยู่กับคมรู้สึกไม่เราไม่ใช่เราจะเป็นนั่งอยู่เฉยเมยเมื่อเรานั่งอยู่เฉยเมยมันสุดเราไปบทที่เราเคลื่อนไหวไปมาโดยวิธีใดก็กาหนดรู้เราอยู่เสมอแต่อย่า ก, กำหนดเกินไปเพียงแต่รู้สึกเบาๆมันคิดมา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 อันนั้นไม่ใช่วิญญาณอันนี้อันนั้นเป็นวิญญาณของคนไม่รู้พวกฤาษีดาวบทเขาแสวงหาความสุขอยู่ในป่าในถ้ำบัด น, นี้คนเหล่านั้นน่ะเป็นผู้สลาดบัด น, นี้คนในบ้านเราเป็นคนที่ทำ ม, มาหากินเป็นคนที่ไม่สลาดมีความจำเป็นเจ็บ่ายได้ป่วยเจ็บหัวปวดท้องก็ไปปรึกษาหา ห, าหือกับพวกนั้น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 บั น, นี้ทุกคนอยากไปเป็นเทวดาบิญญาณอันนั้นไม่ใช่บิญญาณพระพุทธเจ้านี้แต่เขาไม่รู้ดังนั้นต่อมาไม่ต้องพูดไปแล้วเรื่องนั้นวันนี้ต่อมามีคนสลาดขึ้นมาศึกษาขึ้นมาค้นคั่วขึ้นมาจนมีผู้บุคคลสำคัญคือพระพุทธเจ้าของเหล่านี้เองได้ตัดสู้เห็นแจ้งรู้จริงแล้วก็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 มากเป็นข้อปฏิบัติน่เราปฏิบัติอย่างนี้เจ้าว่าตัวสมุทัยตัวนั้นมันเป็นตัวทุกข์มากต้องปฏิบัติต้องเจริญนี่นี่โลดหมดนี่โลกกรร่ธรรมให้แจ้งบันนี้เราก็คอยดูตัวนี้แต่ตัวนั้นมันปรากฏเองเรารู้สึกตัวนี้ตัวนั้นขึ้นมาเราก็เห็นก็รู้เข้าใจแล้วก็แจ้งเข้าบนี้เมื่อแจ้งเข้ามาแล้ววันนี้เป็นการสอนอันนี้เป็นการพูดคันเล่าให้ฟัง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 เมื่อเรารู้วิธีปฏิบัติได้ต้นทางเขาเรียกเป็นพระโสดาบันบุคคลได้กระแสหรือได้ต้นทางได้ต้นทางได้กระแสพระนิพพานนะคก็ได้ต้นทางก็คือได้ต้นความคิดนี้เองรู้จาักการเคลื่อนไหวของเรานี่เองมันคิดมาเราเห็นเรารูอันนี้แหละได้ต้นทางกระแสพระนิพพานก็ยิ่งสิงนี้พอดีไปถึงที่สุดของทุก เราก็ต้องดูคมคิดนี้เองเรียกว่านิโจรจึงเป็นการทำให้แจ้งก่อนที่จะรู้สำนึกตัวนึกได้เราบอกว่าเราจบได้ก็ต้องมันมีสิ่งที่สัญญาตัวเราทุกคนต้องตายถ้าพูดง่ายๆคือคมตายนั่นเองเป็นนิพพานถ้าพูดอย่างนี้คนไม่เข้าใจก็หาว่าตายจะแท้เป็นคือตายนั่นเองจีบคนจึงตาย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 อย่างนานเจ็ดปีอย่างกลางเจ็ดเดือนอย่างเร็วนับตั้งแต่หนึ่งวันถึงเจ็ดวันหรือสิบห้าวันคนใดจเจริญ อ, อย่างนั้นน่ะติดต่อกับอาจารย์ท่านว่ามีอณิสงส์สองประกาศทันว้หนึเป็นพระอรหันต์ในปัจจุบันพบนี้<ม>หากไม่ได้เป็นพระอรหันต์ในปัจจุบันพบนี้ก็ต้องเป็นพระอนาคามีแน่นอนที่สุดทัานไว้ พระ อ, อนาคามีน่าจะมาเกิดในมนุษย์อีกครั้งเดียวทันวายยังไงเหมือนกับพลาโซดาบันเอกาพีซีตัวหนังสือว่าย่างไงพลาโสดาบันเอกาพีซีน K P C เนี่ยจะมาเกิดเมื่อมนุษย์ครั้งเดียวพระ อ, อนาคามีก็จะมาเกิดในมนุษย์ครั้งเดียวนะแต่พออาาระอรหันต์เนี่ยไม่ต้องมาแล้วนะคำว่าพออาาระอรหันต์เนี่ยให้เข้าใจคือว่าเห็นดีชั่วอยู่ที่ตัวของเราเราทํายังไงเราจะเห็นเราจะรู้เราจะเข้าใจ แก้ไขที่ตัวเรานี่เองอมเมื่อแก้ไขตัวเราได้แล้วคนอื่นน่าจะแก้ก็ได้ไม่แก้ก็เพียงแต่แน่เหนียวเท่านั้นเองดังนั้นจึงว่าคบเพื่อนที่ดีลึกกันระยานามิตรที่ดีทันวันเมื่อพบคบเพื่อนชั่วกระ ญ, ญานามิตรที่ชั่วมันก็ถล่มไปชั่วทันทีคบคนที่ดีมันก็ไปทางดีทันที ดังนั้นการศึกษาธรรมะแบบนี้จึงง่ายที่สุดรับรองได้อันเนี้ยถ้าทําติดต่อกันอย่างที่เราทําเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ในห้องกรรมฐ า, านโดยซัพอรอยู่ห้องกรรมฐ า, านสามปีแต่ไม่ได้แล้วมันต้องไปนั่นมานี้อาศัยการไปการมาแต่เราต้องระมัดระวังสามปีนี้เข้าใจว่าจะประชิญหน้ามันจริงๆไม่มากก็น้อยแต่เดี๋ยวนี้นี่ไม่ประชิญหน้าก็ต้อง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 ท่านจงเดินมาที่ตรงนี้เนี่ยแสดงว่าพระเจ้ า, านั่นต้องรู้สึกตัวอยู่เสมอทําทุรลหน้าที่ของตัวเเสมอที่พูดเนี่ยเอาสามปีเนี่ยเข้าใจว่าเรื่องเทวดาผีเรียกว่าพระอรหันต์น้อยๆก็ได้เนี่ยจะเห็นได้จริงๆแต่ส่วนสภาพเดิมนั้นมันจะหลุดหรือไม่หลุดนั่นมันเป็นอีกเรื่องหนึ่ง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 ไปไหนมาไหนไปด้วยทุกเมื่อวางทุกขเมื่อใดตายเมื่อนั้นจึงว่าคนตายแล้วทุกเกิดขึ้นไม่ได้ก็เพราอมีแต่เทวดาหรือว่าพระเรียบบคคลเท่านั้นเองที่นำมาเล่าให้ฟังวันนี้เป็นประโยคสั้นๆ <c oughs> เพื่อให้เราเอาไปใช่จริงๆและปฏิบัติจริงๆผู้หญิงก็รู้อันเดียวกันนั้น ผู้ชายก็ต้องรู้อันเดียวกันนั้นในขณะเมื่อมันหลุดออกจากกันจะไปดีใจจะไปเสียใจรีบมาจับอารมณ์รูปน้ำพิษให้มันรู้สึกตัวอยู่นี้เมื่อมันรู้สึกตัวอยู่นี้แล้วความสบายนะั้นจะลดไปลดไปมันจะเป็นปกติอยู่แาวนั้นตลอดกาลมันเข้าสู่สภาพของมันอย่างนั้นตลอดกาล